สายใหญ่ระหว่างกายเนื้อกับกายทิพต์คืออะไรในหนังสือโลกทิพต์คือ life in the world unseen ก็ดีในหนังสือปรัชญายโยคะของท่านรามจาจักก็ดีและในหนังสือแปลอื่นๆ อ, อ, อีกหลายเรื่องในกรณีที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างกายเนื้อกับกายทิพต์ทุกเรื่องจะมีการกล่าวถึงสายใหญ่แห่งชีวิตซึ่งเรียกชื่อในภาษาอังกฤษว่าแมกเน t i c c o ร์ด หรือไลฟ์ไลเป็นการน่าประหลาดอยู่อย่างหนึ่งกล่าวคือตามเนื้อเรื่องในหนังสือเรื่องโลกทิปคือ Life in the World u n s e e นนั้นทั้งโอปปาติกาที่มาบอกและผู้ที่ทำการบันทึกต่างก็เป็นคนนับถือศาสนาคริสต์ส่วนท่านรามาจักผู้เขียนปรัชญายโยคะเป็นบุคคลที่นับถือหลักปรัชญาของศาสนาพราหมณ์ทั้งสองคนนี้เกิดอยู่คนละแห่งแต่ข้อความที่กล่าวไว้ในหนังสือตรงกัน และในหนังสืออื่นอื่นอีกที่เขียนขึ้นจากคำบอกเล่าของพวกโอปปาติกะที่มาติดต่อโดยวิธีการเข้าท่งเช่นหนังสือ e อ t เ l l e r o b ิ r t s โฟ years a สอะมีเซึ่งเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่แพร่หลายมากและมีหลักฐานน่าเชื่อมากในหนังสือเล่มนี้ผู้ทำการบันทึกไม่ใช่เป็นคนที่สนใจต่อทางศาสนาโดยเฉพาะแต่ถึงกระนั้นข้อความที่กล่าถึงเรื่องสายใยแห่งชีวิตก็ตรงกัน แต่สำหรับในทางพระพุทธศาสนาไม่มีการกล่าวถึงมีเรื่องสายใยแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นจึงทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสงสัยว่าความจริงจะเป็นอย่างไรแน่จึงได้เรียนถามท่านโอปปาติกะองค์หนึ่งซึ่งมาก่อนเป็นคนอเมริกันและท่านได้เคยตอบปัญหาในเรื่องแววเสียงสวรรค์มาแล้วท่านได้กรุณาให้คาอธิบายดังต่อไปนี้ตามที่ในหนังสือหลายเล่มกล่าวว่า ในเวลาที่คนเราจะตายจะต้องมีกายทิพ์ออกมาจากกายเนื้อและตราบใดที่สายใหญ่แห่งชีวิตซึ่งผูกพันเชื่อมโยงกายเนื้อกับกายทิพยังไม่ขาดออกจากกันกายเนื้อนั้นจะถึงแก่ความตายไม่ได้ความตายที่แท้จริงย่อมหมายถึงสายใหญ่แห่งชีวิตนี้ขาดสะบ้าลงและในบางกรณีที่คนเรานอนหลับแล้วมีกายทิพ์ออกมา เหมือนกับในรายที่บางคนได้สมาธิขั้นสูงแล้วถอดกายทิพ์ออกมาก็ย่อมจะมีสายใหญ่เชื่อมโยงไว้เสมอท่านบอกว่าสมมุติว่าจะมีใครนั่งสมาธิแล้วถอดกายทิพ์หรือนอนหลับและมีกายทิพ์ออกมาในขณะนั้นถ้าหากว่าจะมีใครมาฆ่าที่กายเนื้อให้ถึงแก่ความตายทันทีโดยที่ร่างกายนั้นจะไม่รู้สึกตัวก็ตาม กายทิพย์ก็จะเข้ามาสู่กายเนื้อทันทีโดยอัตโนมัติอย่างฉับพลันโดยไม่คิดล่วงหน้าว่าจะต้องกลับเพราะกายทิพย์จะรู้ได้โดยสัญชาตญาณในเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นกับกายเนื้อแล้วก็จะกลับเข้าสู่กายเนื้อทันเวลาเสมอก่อนที่กายเนื้อจะถึงแก่ความตายความรวดเร็วในการกลับคืนเข้าสู่ร่างเดิมนั้นเร็วกว่าอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้น แม้ว่าบางคนจะถูกยิงด้วยปืนถูกที่สำคัญแล้วตายทันทีแม้กระนั้นกายทิพย์ก็ยังกลับเข้ามาทันก่อนที่ลูกปืนจะถูกกายเนื้อเสอีกท่านบอกว่าอันนี้เป็นกฎธรรมดาและถ้าหากเข้าใจกฎอันนี้ดีก็จะเข้าใจคำว่าสายใหญ่แห่งชีวิตได้โดยแจมแจ้งในทางตะวันตกหรือแม้ในทางปรัชญายโยคะก็ตาม มักจะมีคำพูดในทํานองเปรียบเทียบซึ่งฟังดูอย่างเพลินเิ น, เนก็เหมือนจะทำให้เข้าใจง่ายแต่เพราะความง่ายในเรื่องการใช้ภาษานี่แหละส่วนมากเลยทำให้เข้าใจผิดท่านบอกว่าความจริงสายใหญ่แห่งชีวิตนั้นไม่ใช่เป็นเส้นได้แต่ที่ต้องใช้คำว่าเส้นได้หรือสายใหญ่ก็เพราะยังหาคำที่ดีกว่านี้ไม่ได้ที่จะพูดให้คนทั่วไปเข้าใจ ความจริงในเรื่องนี้ในทางศาสนาคริสต์และศาสนาพราหมณ์ข้อความในคมภีมักจะเต็มไปด้วยเรื่องบุคลาธิฐานคือเป็นการสมมุติบุคคลหรือรูปธรรมต่างๆเป็นอุ ป, ปมาเพื่ออธิบายเรื่องนำมา ร, รมซึ่งทำให้จับต้องหรือเข้าใจได้ง่ายขึ้นสำหรับคนทั่วไปนะครับในทางศาสนาคริสต์และศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู ข้อความในคำพีมักจะเต็มไปด้วยเรื่องบุคลาธิฐานซึ่งผิดกับในทางพระพุทธศา ส, สนาซึ่งในกรณีที่ถ้าใช้คํำอุปมาแล้วจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดก็มักจะเว้นเสียเช่นในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์ขาดจกักรนนั้นท่านบอกว่าก็ตรงกับที่ทางพระพุทธศา ส, สนากล่าวว่าการที่คนเราสิ้นชีวิตลงก็เพราะสิ้นวิบากที่จะดํารงชีวิตอันนั้นไว้ ดังที่สำนวนในคำพีพระพุทธศาสนาใช้คำว่าประธรรมกาลากิริยาซึ่งหมายถึงว่าถึงเวลาตายแล้วคนเราก็ต้องตายซึ่งคำว่าถึงเวลาในที่นี้หมายความว่าวิบากของกรรมที่สร้างชีวิตนี้ขึ้นมานั้นหมดอำนาจหรือหมดพลังที่จะรักษาชีวิตนั้นได้อีกต่อไป ท่านแนะให้นึกถึงหลักอภิธรรมที่กล่าวว่าสาเหตุแห่งความตายมีอยู่สี่อย่างคือหนึ่งสิ้นอายุ 2. สิ้นกรรม 3. สิ้นทั้งอายุและกรรมพร้อมกัน 4. เพราะมีอุปเชตกกรรมตัดรอนอุปเชตกกรรมหรืออุปฆาตกกรรมคือกรรมที่มีหน้าที่เข้าไปตัดรอนกรรมอื่น ที่มีสภาพตรงกันข้ามได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วซึ่งมีทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลเป็นผลให้เจ้าของกรรมได้รับผลทันทีทันใดการที่ในปรัชญายโยคะหรือในหนังสือบางเล่มกล่าวว่าคนเราจะถึงแก่ความตายก็ต่อเมื่อสายใยแห่งชีวิตซึ่งเป็นเสมือนเส้นได้ที่เชื่อมโยงระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์ขาดสะบ้านลงนั้น หมายความว่าพลังแห่งวิบากของกรรมที่จะรักษาชีวิตของกายเนื้อเอาไว้ได้ถึงซึ่งการและอวสานความจริงไม่ได้มีสายใยที่เป็นเสมือนหนึ่งเส้นได้ผูกเชื่อมโยงกันเข้าไว้ท่านบอกว่าเรื่องนี้ถ้าจะอธิบายกันด้วยหลักวิชาจริงๆซึ่งเป็นการอธิบายตามข้อเท็จจริงแท้ๆนั้นเข้าใจยากมากแต่ถ้าหากคนไหนเข้าใจถึงเรื่องวิญ ญ, ญาณเป็นผู้สร้างชีวิต ซึ่งวิญญาณสร้างขึ้นมาได้ก็โดยอาศัยวิบากของกรรมที่มีอยู่ในวิญญาณถ้าเคยมีความเข้าใจเช่นนี้มาแล้วก็จะเข้าใจเรื่องสายใยแห่งชีวิตนั้นได้ถูกต้องท่านบอกให้สังเกตว่าวิบากของกรรมพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเป็นตัวสังขารซึ่งแปลว่าอำนาจสร้างสรรค์วิบากของกรรม ย่อมสามารถที่จะสร้างร่างกายออกมาในรูปต่างๆเช่นสร้างกายเนื้อได้หลายแบบในทำนองเดียวกันวิญญาณก็สามารถที่จะสร้างกายทิพ์ขึ้นมาได้หลายแบบคนบางคนมักจะเข้าใจว่าวิญญาณสามารถที่จะสร้างกายเนื้อและกายทิพ์ขึ้นได้ในเวลาเดียวกันนั้นซึ่งผู้ที่เข้าใจอย่างนี้ก็มักจะเข้าใจต่อไปอีกว่าวิญญาณได้ถูกแบ่งออกมา คือส่วนหนึ่งไปสร้างกายเนื้อและอีกส่วนไปสร้างกายทิพย์เมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็จะทําให้เข้าใจว่าพลังของวิญญาณซึ่งมีอยู่ในกายเนื้อมีน้อยแต่พลังของวิญญาณซึ่งเข้าใจว่าได้ถูกแบ่งออกมาสร้างกายทิพย์นั้นมีพลังสูงกว่าใครจะเข้าใจอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ก็ขอให้เข้าใจไว้ด้วยว่า นั่นไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงเพราะความเป็นจริงแล้วมันเหมือนกับเทียนเล่มหนึ่งจะให้กำเนิดแก่เปลวเทียนเล่มอื่นสักกี่พันเล่มก็ได้โดยที่จะไม่ทําให้เปเลวไฟของเทียนเล่มแรกลดน้อยลงไปแต่ประการใดท่านขอให้นึกถึงเรื่องท่านจุนลปันธกะที่สามารถเนรมิตกายขึ้นมาได้ตั้งพันกายซึ่งกายที่เนรมิตขึ้นมานั้น ถึงแม้จะเป็นกายทิพย์แต่ก็มีลักษณะเหมือนกับกายเนื้อและทำงานเหมือนกับกายเนื้อได้หลายอย่างหรือไม่เช่นนั้นก็ขอให้นึกถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตกายทิพย์ให้ไปปรากฏอยู่ต่อหน้าพระวกักกะลิทรงห้าไม่ให้พระวกกะลิโดดเหวตัวอย่างในทํานองเหล่านี้สำหรับคนที่เข้าใจทางหลักวิชาดีแล้วก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยาก ว่าทำไมบางคนในเวลานอนหลับจึงได้มีกายทิพย์เกิดขึ้นมาได้และทำไมทุกคนเมื่อตายจะต้องมีกายทิพย์เกิดขึ้นเสมอซึ่งบางทีกายทิพย์อาจจะเกิดก่อนเป็นเวลาตั้งหลายวันก่อนที่กายเนื้อจะสิ้นชีวิตลงหมายเหตุเรื่องการถอดกายทิพย์ได้อย่างไรนั้น ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรื่องสู่แสงสว่างซึ่งชำลองผลดีจะดทำเป็นเสียงอ่านไว้แล้วนะครับท่านบอกว่าขอให้พยายามศึกษาคำว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปหรือวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตให้เข้าใจอย่างจำแจ้งซึ่งเป็นหลักปฏิจจสมุปบาทจากพุทธพจน์โดยตรง โดยเฉพาะจะต้องพยายามมองให้เห็นว่าสำหรับวิญญาณที่ยังมีตัณหาอุปาทานคือยังมีความรักความหงแหนในชีวิตต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปซึ่งความต้องการที่ว่านี้ฝังอยู่ในสันดาลอย่างลึกซึ้งและเหนียวแน่นมากมันเป็นความผูกพันที่มีอยู่ทุกขณะจิตแม้แต่ในขณะที่เราไม่รู้สึกตัวความผูกพันที่ว่านี้ก็มีอยู่ตลอดเวลา สำหรับวิญญาณที่ยังมีตันหาอุปาทานเช่นนี้จุติแล้วคือตายแล้วต้องปฏิสนธิอีกและสร้างนามรูปขึ้นมาอีกทันทีทำไมจึงเป็นเช่นนี้ท่านบอกว่าสายใยแห่งชีวิตที่เปรียบเหมือนเส้นได้นั้นความจริงก็คือตัวตันหานี่เองและตราบใดที่ตัวตันหายังมีอยู่อุปาทานก็ต้องมี ละวิบากของกรรมคือสมรรถภาพต่างๆหรืออุปนิสัยใจคอต่างๆที่มีอยู่ในสันดานนั้นมันก็ทำหน้าที่ของมันอยู่ตลอดเวลากล่าวคือสร้างชีวิตสืบต่อชีวิตดำรงชีวิตไว้ถ้าอันหนึ่งจะต้องตายหรือหมดสิ้นไปมันก็จะสร้างอีกอันหนึ่งขึ้นมาแทนที่อย่างนี้ตลอดเวลาและขอให้เข้าใจไว้ด้วยว่า แบบอย่างของกายเนื้อหรือที่มาของกายเนื้อก็คือกายทิพย์นั่นเองหรือพูดอีกในย่าหนึ่งกายทิพย์ก็คือกายเนื้อที่ยังอยู่ในรูปเป็นพลังงานซึ่งสามารถที่จะเกิดจากวิบากของกรรมได้ทันทีและเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของวิบากได้ทันทีซึ่งถ้าพูดอีกในย่าหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าก่อนที่เราจะสร้างบ้าน ก็ต้องมีบ้านเป็นมโนภาพอยู่ก่อนซึ่งบ้านที่เป็นมโนภาพนั้นเกิดง่ายเกิดได้อย่างรวดเร็วแต่พอจะให้บ้านเกิดเป็นวัตถุ ข, ขึ้นมาจริงๆก็ต้องใช้เวลาเพราะอย่างน้อยก็ต้องสแสวงหาวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือไว้ก่อนอันหนึง่งเราเข้าใจแล้วว่าโดยธรรมดาวิญญาณสามารถที่จะสร้างร่างกายได้เสมอ แต่การสร้างนี้จะสร้างได้ดีหรือไม่ดีจะคงทนทาวรหรือไม่ก็สุดแล้วตาวิบากของกรรมซึ่งในเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ควรจะต้องจำให้แม่นว่ากายเนื้อที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความจงใจของจิตใต้สำนึกหรือจิตไร้สำนึกมาตั้งแต่แรกนั้นตราบใดที่ร่างกายอันนั้นยังไม่ตายความผูกพันส่วนใหญ่จะต้องอยู่กับกายเนื้อตลอดเวลา แต่ถึงกระ น, นั้นในบางครั้งที่วิญญาณมีความเป็นอิสระคือไม่ค่อยจะผูกพันกับกายเนื้อเช่นในเวลานอนหลับในเวลาเข้าสมาธิขั้นสูงหรือในเวลาที่รู้ตัวว่าจะต้องตายซึ่งการรู้ตัวที่ว่านี้อาจจะมีได้โดยไม่รู้สึกตัวคือเป็นการรู้ตัวของจิตใต้สำนึกในกรณีเช่นนี้วิญญาณย่อมจะต้องสร้างกายทิพย์ขึ้นไว ตามความรู้สึกผูกพันของตันหาอุปาทานที่ต้องการจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปท่านบอกว่าการอธิบายเรื่องนี้สำหรับคนที่มองไม่เห็นกายทิพย์ด้วยตัวเองนั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเท่าที่อธิบายมานี้ท่านก็หนักใจแทนมนุษย์เป็นอันมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านได้เน้นอีกครั้งหนึ่งว่าคาว่าสายใยแห่งชีวิตขาดนั้น หมายถึงพลังที่สร้างกายเนื้อมาตั้งแต่แรกได้หมดเรี่ยวแรงลงอย่างที่เรียกว่าสิ้นกรรมนั่นเองหมายเหตุผู้อ่านคำที่ว่าหากยังมีความรักหวงแหนชีวิตต้องการจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป ก็จะต้องเกิดอีกอยู่เรื่อยไปหรือจิตหรือวิญญาณก็จะสร้างร่างกายใหม่เรื่อยไปก็อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าคนที่ฆ่าตัวตายจะพ้นจากหลักอันนี้เพราะถือว่าไม่รักตัวเองไม่อยากมีชีวิตแล้วเพราะธรรมดาคนที่ฆ่าตัวตายนั้นก็เพราะรักตัวเองมากที่อยากตายก็เพราะไม่ได้สิ่งที่ต้องการหรือต้องการหนีให้พ้นสภาพแห่งทุกข์ที่กําลังได้รับอยู่ แต่ถ้าสำรวจให้เห็นถึงความต้องการทางจิตจริงก็ยังอยากได้สุขเกลียดทุกขยังอยากมีชีวิตที่ดีอยากได้กินของอร่อยอยากมีอยากเป็นอะไรอีกมากถ้าเกิดมีพลังวิเศษให้ความทุกข์กายใจในขณะนั้นหายไปให้กลับเป็นหนุ่มสาวให้หายป่วยให้ร่ำรวยมีอำนาจขึ้นมาทันทีก็คงไม่คิดฆ่าตัวตายและอยากมีชีวิตอยู่ให้นานเพื่อสวยสุขให้นานที่สุด จิตที่ยังมีตัณหาความอยากเสพสุขความอยากเป็นไม่อยากเป็นยังมีความเห็นผิดว่ากายใจนี้เป็นตนเป็นของตนก็ยอมชื่อว่ายังมีความรักหวงแหนชีวิตของตนแม้จะรู้สึกว่าไม่อยากมีชีวิตอีกแล้วอยากหายไปจากโลกนี้ในทันทีก็ตามซึ่งนั่นเป็นความรู้สึกเพียงชั่วคราวที่เกิดในช่วงชีวิตหนึ่งของแต่ละคนเท่านั้นนะครับ